อย่างไรก็ตามยังมีความเจ็บปวดชนิดหนึ่งที่ไรประโยชน์ใ ด, ดๆมันคือความเจ็บปวดเรื้อรังมันไม่ได้เป็นไปเพื่อการเตือนภัยมันเป็นหน่วยจู่โจมทำลายล้างเป็นตัวโจมตีจากภายในเป็นตัวทำลายความสุขส่วนตัวเป็นตัวทำร้ายความสามารถส่วนตัวอย่างรุนแรง เป็นตัวรุกรานความสุขสงบส่วนตัวอย่างไม่หยุดยอนและเป็นตัวรังควานชีวิตอย่างต่อเนื่องความเจ็บปวดเรื้อรังเป็นสิ่งกีดขวางที่ยากที่สุดที่ใจจะต้องกระโดดข้ามบางครั้งมันเกือบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะกระโดด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 ควรแก่าการปฏิบัติโจนาธานวิลสันฟูลเลอร์เหตุผลที่ได้นำคำประพันธ์นี้มารวมไว้ในหนังสือเล่มนี้โดยผู้ประพันธ์ได้เมตตาอนุญาตแล้วก็เพราะว่าคุณโจนาธาน ได้เขียนคําประพันธ์นี้เมื่ออายุเพียง9ก้าขวบเท่านั้นหมายเหตุสาหรับเรื่องนี้ได้รับอนุญาตจากผู้ประพันธ์คือโจนาธานบิสันฟูลเลอร์ให้นำบทกวีเรื่องมากเกินไปที่จะหวัง is too much to hope for